จเจริญพรสุขท่านหลวงพ่อเป็นเทศที่นนทนที่นี่ไปด้วยๆเพื่อพบอย่างหนึ่งนะว่าบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วเข้าพ่อนากันไม่เช้ามาแวชฉันเข้ากลางทางที่ห้างฉัดร้านกะลาร้านเลยนะเข้าฟังซีดี พ่อนาเป็นก็มีนะเดี๋ยวนี้ธรร ม, มาลงไปถึงรากยาแต่ก่อนหลวงพ่อเทศใหม่ๆนะพระบางองค์ผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ท่านบประโมทเทศยากไปเอาธรรมะชั้นสูงมาสอนชาวบ้านจนได้เรื่องอะไรคารวะนะเรียนเรื่องทาทานถือศีลก็พอแล้วแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วะ สอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอะไรนี้ยากเกินหลวงพ่อครับครับครับถ้าผู้ใหญ่พูดเราก็ไม่เถียงหรอกแต่เราไม่เชื่อหลวงพ่อไม่เชื่อเราว่าคราวาสภาวนาไม่ได้พ่อหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นฆราวาส ท, ทำไมเราทำได้คนอื่นทำไม่ได้คนอื่นไม่ง้อว่าหลวงพ่อรหรอกหลวงพ่อไม่ใช่คนฉลาดอะไรแต่เป็นคนที่อดทนที่จะเรียนรู้ตัวเอง พรไม่เชื่อตั้งแต่แรกภนะาวนาหลวงพ่อเขาไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนธรรมะที่ประณีตให้ไม่ได้สอนแค่ทาทานถือศีนองทำไมท่านสอนเราเมื่อเราสนใจที่จะปฏิบัติคาราวะไม่ได้โง่ว่าพระ ห, ะหรอกแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะธรรมะภาคปฏิบัติแท้ๆเรียนกันอยู่ในวงแคบๆหลวงพ่อเอามาประกาศในวงกว้าง ที่แรกคนกงงพูดเรื่องอะไรพระวันนี้สอนแปลกๆสอนไม่แปลกหรอกเพราะที่หลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์ก็เรียนอย่างนี้แหละมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งอยู่ลําปางด้วยซ้ําไปหลวงพ่อเกษมเขีมะโกนี้แหละหลพ่อเกษมเขีมโกก็ไม่ธรรมดาตอนนั้นหลวงพ่อรับราชการอยู่มาสมมนาที่ลําปางน้กลางคืนเขาไปกินเลี้ยงกัน พ่อไม่เอาเสียเวลาข้าราชการชอบกินเลี้ยงเหลือเกินเงินก็ไม่ค่อยมีนะแต่กินนั่งชอบกินเหล้าฝรั่งด้วยเล้าไทยก็แไม่เอากางคืนเขากินเลี้ยงกันเราหนีมาหาหลวงพ่อเกษมนี่เข้าไปถึงสู่สารไตรักมืดตื้อเลยค่ำแล้วแต่คนแน่นเลยคนเต็มไปหมดเลย ก็ไปนั่งอยู่ที่ศาลาหนึ่งก็สงสัยไม่มีโอกาสได้เจอลพพเหลวงพ่อเกษมหรอกเป็นนั่งอยู่ลูกศิษย์ท่านก็มาบอกว่วันนี้วันพระท่านตั้งสัจจะไม่รับแขกไม่รับญาติโยมหรอกวันนี้วันพระหลอกไม่เป็นไรท่านไม่รับก็ไม่รับเดี๋ยวขอนั่งภาวนาข็นั่งภาวนาก็นึกถึงท่านนะนึกถึงท่านแล้วคักเดียวท่านก็ให้ลูกศิษย์มาเรียก ลูกศิษก็มาบอกว่าเนี่ยไปนั่งที่ระเบียงกุติท่านเนี่ยท่านจะเปิดประตูนะแต่ท่านจะต้องรักษาสัจจะท่านจะไม่รับแขกเนี่ยท่านจะเปิดประตูเฉยๆนะท่านจะนั่งอยู่ในห้องให้หลวงพ่อนั่งอยู่หน้าประตูอย่าเข้าห้องท่านนะแล้วท่านก็จะไม่ออกมาถือว่าไม่ได้รับแขกไปถึงโอ้ดีใจเลยได้ฟังธรรมขึ้นไปนั่งหลวงพ่อกเกษมก็เทศ กวางไมโครโฟนมาก็เอ๋ยก็ไก่เขาไข่อยู่ในล้าวฟังแล้วตกใจนะเว้ยธรรมะอะไรอย่างนี้นะนึกในใจนะรู้ว่าท่าน่ะเราคิดอะไรท่านก็รู้อะนึกในใจหลวงพ่อเทศแบบเนี้ยนะเทศให้ผมฟังอไม่เป็นไรนะอย่าไปเทศให้คนต่างชาติต่างาศาสนาฟังนะเขาจะดูถูกพระพุทธศาสาศนาว่าท่านสิอีกนะท่านก็เอ๋ยก็ไก่อะไรท่านนะแล้วก็ท่องกรอนท่องอะไรไปยาวเลย สุดท้ายท่านพูดประโยคเดียวคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายได้ยินธรรมะประโยคนี้โอ้ยท่านภาวนานดีใจเรานะมันจะชั่วจะดีจะสุขจะทุกข์อยู่ที่คิดเอานะอย่างถ้าเราคิดในทางพยาบาทคนอื่นโทรสามก็เกิดจิดใจก็ไม่มีความสุขคิดไปในทางโลภทางหลงทางอะไร ใจิตใจก็ฟุ้งซ่านใจิตใจก็มีโลภะใจิตใจก็ไม่มีความสุขเห็นอะไรอยากได้คิดถึงไอ้ของที่อยากได้คิดทั้งวันเลยใจก็ไม่มีความสุขเจอสาวใจมันชอบนะั่นคิดอยู่นั่นแะใจก็ไม่มีความสุขเรารักเราเกลียดอะไรต่ออะไรนะั้นมันมาจากความคิดทั้งนั้นเลยอย่างเราสังเกตไมมความโกรธมันก็ตามหลังความคิดมาเราทุกข์เพเราคิด สงเกตดูเถอะอย่างเราจะโกรธใครสักคนนะเราขับรถเงี้ยคนมาปาดหน้าเราเราโกรธแต่จริงๆไม่ใช่โกรธเพราะเขาปาดหน้านะเราโกรธเพราะเราคิดถ้าเขาปาดหน้าแล้วตอนนั้นเราไม่ได้สนใจอะเขาก็ยังปาดอยู่นะแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้นึกถึงเขาไม่โกรธหรอกเราต้องคิดถึงเขาก่อนเราถึงจะโกรธไอ้คนนี้มันแน่สัแค่ไหนเห็นแก่ตัวนิสัยไม่ดีปู่ย่าตายายไม่สั่งสอนหนึ่ง ได้คิดไปในทางพยาบาทวิตโทสะก็เกิดเนี่ยคิดร้ายเลยใจไม่เย็นนะใจร้อนใจมีความทุกข์ม่อหลงไปในโลกของความคิดนะัราคาโทสะโมหะอะไรมนก็เกิดขึ้นมาใจไม่มีความสุขเนี่ยถ้าเราไม่คิดไปทางร้ายคิดไปทางบวกใจเป็นบุญใจเป็นกุศลน้ใจเป็นบุญเป็นกุศลใ น, นใจมันก็ร่มเย็นเป็นสุขนีท่านถึงสอนว่าคิดดีก็ใจเย็น ประโยคเดียวนี้สอนเรื่องจริยธรรมประโยคแรกเลยเรื่องของจริยธรรมเลยเราจะใจร้อนจะใจเย็นจะใจสุขจะใจทุกขนะ์มันตามหลังการคิดมาทั้งนั้นตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสมันสักแต่ว่ากระทบขณะที่ตาเรามองเห็นรูปเนะี่ยใจเราไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลง ตามันเห็นเฉยเหูได้ยินเสียงใจก็ไม่ได้มีกิเลสอะไรใจก็เฉยเฉยไม่มีสุขมีทุกข์อะไรซะด้วยซ้ําไปจะหมกได้กลิ่นดิ้นได้รสกายกระทอบสัมผัสใจก็เฉยเฉยไม่มีดีมีชั่วไม่มีสุขมีทุกข์อะไรใจยังเฉยเฉยอยู่เสร็จแล้วมันมีการส่งสัญญาณส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจอย่างตาเห็นรูปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาบอกที่ใจ ใจก็จะเริ่มอาศัยสัญญาความจําไปแปลความหมายไปแปลความหมายไปตีความนี่คือรูปอะไรขาดจากนั้นนําใจมันจะปรุงต่อน้ําคิดต่อไปอีกรูปอย่างนี้ดีรูปอย่างนี้ไม่ดีอารมณ์มันนี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีเห็นหน้าคนนี้ขณะที่เราเห็นหน้าครับใจเราเฉยๆแต่พอมีการแปลไอ้คนนี้แหละนิสัยไม่ดีแต่ก่อนนี้เคยแย่งแฟนเรา แต่าต้องคิดอย่างนี้นะโทรสขารก็ขึ้นสิหรือเห็นหน้าพระอย่างเราเห็นพระบิดาบาตจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่ขณะที่เห็นเนี่ยยังไม่มีกุศลกับอกุศลใช่ไหมต้องคิดก่อนเช่นคิดนี่พระปลอมหรือเปล่าว่าเป็นพระปลอมหรือเปล่าพระไม่ดีหรือเปล่าอะไรเนี้ยคิดอย่างนี้นะใจไม่สบายแล้วใจเป็นอกุศลละไม่เจอพระปลอมจริงๆเขาเป็นพระปลอมตัวจริง มาบินทบาตรแต่เราใส่บาทเราคิดว่าพระจริงๆนะเราคิดว่าเนี่ยพรจริงๆหน้าเรื่มใสชิิแลรวเป็นกุศลเรื่องกุศลเปกุศลมีความสุขไหมได้ทำดีได้ช่วยเหลือพระให้อาหารพระแม้มันอยู่ที่การคิดของเราเ อ, องกโงน้หลวงพ่อเกษมท่านถึงสอนให้คิดดีกใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายมันมีนิทานธรรมบทอยู่เรื่องหนึ่งนะ มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเขาเห็นพระแต่งตัวเรียบร้อยเลยมาบิณฑบาตท่านก็ปลื้มมากเลยพระเจ้าแผ่นดินนะั mm ่นนะพ่ะเง้านี้ต้องเป็นพระอระหันต์แน่นะท่านก็ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วท่านก็ใช้อมารตรว่าไปดูซิองค์นี้อยู่วัดไหนเรื่อมใสจะได้ตามไปทําบุญอีกอมาดก็ย่องตามหลังไป ปรากฏว่าพอออกจากวังไปสักพักเดียวนะเนี่ยเป็นชาวบ้านเนะี่ยอยากกินอาหารในวังนะเมียเ น, นี่อยากกินนะใช้ผัวให้มาหลอกพระเจ้าแผ่นดินนะมาบินดบบาบัดพอพ้นวังไปนะถอดจีวรออกอมาัดนี่ก็โอวยนี่พราดหลอมถ้าไปบอกพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้าแผ่นดินจะเศร้าหมองบุญที่ไ้คิดว่าทำบุญกับพระอรหันต์หายไปเลย ก็เลยไปหาพระเจ้าแผ่นดินมันจะไแผ่ดินถามแล้วพระท่านอยู่ที่ไหนโอ้พอข้าพระองค์ตามไปนะพอพ้นวางไปสักพักเดียวนะผ้ากาสาวพันนั้นก็อันตรทานไปโกหกเขาไม่ได้โกหกนะผ้ากาสาวอันตรทานไปมันใส่เสื้อไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินปลื้มเลยนะแล้วอยู่ไปเรื่อยๆจนตายตายขึ้นสวรรค์นะเนี่ยคิดดี ส่วนอมัดเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินไม่มีลกูกมีหลานนะอมาตนี่ขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนวันหนึ่งมาเห็นพระถ้าทางโกโลกโกโสมาบินาบาบก็ใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วก็นึกพระเกเรว่านะใช้ออมาตคนใหม่ลูกน้องตัวเองนะตามไปดูสิมันปลอมไปอยู่ที่ไหนนี่ไปบ้อมมันนะต้องใส่ชาวบ้านเพราะตัวเองเคยเห็นเนยลยว่าชาวบ้านปลอมเป็นพระปรากฏว่าองค์นี้เป็นพระปัจเจกาอุทระเจ้า พระจริงๆเพราท่านฝนหวางไปฮะท้านก็ห่อไปเลยอมามัดก็กลับมาทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่เนี่ยบอกพอพ้นหวังไปนะการสารพัพอันตรทานไปต่อหน้าเลยวูบเดียวเลยนะริ้วไปเลยพระเจ้าแผ่นดินเชื่อโอ้พระเก๋เพระเาะตัวเคยหลอกเขาไว้อย่างนั้นกรรมให้ผ ล, ลนชิดไม่ดีใจเป็นทุกข์ละเพราะงั้นพวกเราสังเกตให้ดีในใจเรานะ จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่การคิดของเราเนี่หลวงพ่อกเกษมท่านถึงสอนประโยคเดียวนะว่าคิดดีก็ใจเย็นถ้าคิดไม่ดีก็ใจร้อนใช่ไหมใจเย็นใจร่มเย็นเป็นสุขใจเป็นกุศลคิดไปนในทางรา้ายใจก็อกุศลประโยคอีกประโยคที่หลวงพ่อกเกษมสอนนะคิดไม่เป็นจะเย็นสบายคิดไม่เป็นเป็นยังไง คว่าเย็นสบายตัวนี้ไม่ธรรมดานะคือความดับสนิทแห่งทุกข์คือพันิพาณพันิพาณนนะี่เคิดเอาไม่ได้คิดไม่เป็นอะไรถ้าคิดยังไงก็ไม่เป็นพันิพานหรอกนะคิดไม่เป็นก็คือให้รู้เอารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่คิดเอาให้ดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นนี่คือหลักของวิปัสสนากรรมฐานจิตจะบรรลุมรกคผลนิพาณได้นะ ต้องเจริญมีปรัชนากรรมฐานเจริญปัญญ า, าเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้ารู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพระเจ้าบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงใใคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนั่นอยู่ที่การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง eyes. นี่คนทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เดีายวว่าแต่จะรู้ให้ตรงตามความเป็นจริงเลยแค่รู้สึกกายรู้สึกใจยังไม่ค่อยรู้สึกเลยทราะอะไรเพราะว่าศัตรูเบอร์หนึ่งนะของการปฏิบัตนะิที่ทำให้เราไม่สามารถทำวิปัสสนาได้คือเราลืมกายลืมใจเรามีกายเราก็ลืมกายเรามีใจเราก็ลืมใจลืมแล้วเวลาลืมแล้วไปอยู่ที่ไหนลืมแล้ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ในโลกของความคิด เราคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้เราคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตซึ่งมันไม่ใช่ปัจจุบันรูปนามกายใจนั้นมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นรูปนามในอดีตไม่มีจบไปแล้วตายไปหมดแล้วนะกายเป็นอดีตกลายเป็นแค่ความจํารูปนามกายใจในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นถ้าไปคิดถึงก็แค่ความคิดไม่มีของจริงของจริงของกายของจริงของใจอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นมีคาว่าเท่านั้นด้วยคิดเส้นใต้เลยอยู่กับ กายกระใจเนี่ยอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองงั้นถ้าเราเมื่อไหร่นะใจเราหนีไปจากปัจจุบันเราก็ไม่เห็นและปกติเนี่ยใจจะร่อนเร่ใจจะชอบไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปริมรสไปรู้สัมผัสสิ่งที่มาสัมผัส ร, ร่างกายหรือไปรู้เรื่องราวที่คิดทางใจเนี่ยใจจะสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถัภะธรมรมารมณ์ ประทับพะคือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายธรรมารมก็คือสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยธรรมชาติของใจนะชอบรู้ออกข้างนอกรูปเป็นของข้างนอกใช่ไหมตาเป็นของข้างในไม่สนใจตาสนใจแต่รูปเสียงเราสนใจเสียงนะเราไม่สนใจหูตัวเองเราสนใจกลิ่นเราไม่สนใจจมูกเราสนใจรสเราไม่สนใจลิ้น นางทีกินของอร่อยรสดีใช่ไหมกัดลิ้นเลยดื่มลิ้นไป <c oughs> กัดลิ้นซะเลยเราสนใจสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเราไม่ได้สนใจร่างกายเราสนใจเรื่องราวที่ใจคิดเราไม่สนใจจิตใจเนี่ยธรรมชาติที่แสนอาภัพของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะคือใจเน้่มออกไปข้างนอกตลอดสนใจสิ่งภายนอกไม่สนใจตัวเอง นันจะหลงตลอดเวลาความหลงหรือความการสภาวะที่จิตไม่มีสมาธิสมาธิเพื่อความตั้งมั่นของจิตจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวรู้เนือเน้อ ร, รู้ตัวอยู่แต่คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่นี้ลืมตัวเองตลอดเวลาเมื่อสักส่บ ป, ปีก่อนนะหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะเวลาเทศนะคนมาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกตรงๆเลยวนะ่าในโลกนี้ไม่ค่อยมีคนรู้สึกตัวนะมีแต่คนหลง คนที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยน้อยเต็มทีเลยก่อนหน้านั้นหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ข้าวัดโน้นวัดนี้นะสังเกตดูครูบาอาจารย์บางแห่งท่านดีจริงๆนะแต่ในวัดท่านในสำนักท่านเนี่ยหาคนดีอย่างท่านไม่ค่อยได้แค่รู้สึกตัวเป็นยังแทบไม่มีเลยในแต่ละแห่งแต่ละแห่งวัดหนึ่งเนี่ยไม่นับตัวครูบาอาจารย์ที่ดีๆนะตัวครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีก็รู้สึกตัวไม่เป็นเหมือนกัน คนส่วนใหญ่นี่ลืมตัวเองนะตื่นขึ้นมานะเราก็หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันเราตื่นแต่ร่างกายจิตใจของเราไม่เคยตื่นเลยเนี่ยพอได้ยินได้ฟังธรรมะนะแห่งความตื่นให้หัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่าใจลอยรู้สึกตัวบ่อยๆในที่สุดภาวะแห่งความตื่นก็เกิดขึ้นจิตใจรู้เนื้อรู้ตัวคนโบราณใช้คาดีนะรู้เนื้อรู้ตัว ก็คือรู้กายรู้ใจของตัวเองได้ไม่ใช่ลืมเนื้อลืมตัวลืมเน้อลืมตัวคือขาดสติขาดสมาธิวันวั น, นึงเราใจลอยมากมายรู้สึกไหมวันหนึ่งใจลอยเท่าไหร่ระหว่างใจลอยกับรู้สึกตัวอะไรเยอะเหมือกันถ้าหากภาวนามไม่เป็นนะจะบอกว่ารู้สึกตัวเยอะจริงๆไม่รู้สึกหรอกมันรู้สึกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่คิดไม่ได้รู้สึกกายรู้สึกใจ คนที่รู้สึกกา ร, รู้สึกใจได้เนี่ยน้อยเต็มทีนะแต่ยุคนี้เยอะละหวมพ่อเทศมาเรื่อยๆเพาไม่เชื่อพระที่ท่านบอกอนะคารวาสก็ทําได้นะหันรู้สึกตัวไปสินะทํากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนขั้นแรกจะหัดพุทโธก็ได้หาดหายใจก็ได้จะดูท้องฟองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้อะไรก็ได้นะไม่ดีไม่วิเศษหรือไม่เรีวซามอะไรมากกว่ากันหรอกกรรมฐานอะไรก็เหมือนๆกันแหละแล้วแต่จริตนิสัยว่า คนไหนถนัดอะไรก็ใช้กรรมฐานอนั้นแต่ไม่ว่าจะใช้กรรมฐานอะไรนะต้องรู้จักหลักเกณฑ์ที่ดีเราไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อให้ใจสงบนะไม่ได้ทํากรรมฐานเพื่อให้มีความสุขไม่ได้ทํากรรมฐานเพื่อจะให้เป็นคนดีเพราะความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยงดีได้ก็ยังชั่วได้สงบได้ก็ฟุ้งได้นะสุขได้ก็ยังทุกข์ได้อีกเราจะเรียนเพื่อให้ เข้าถึงสัจจะถึงความจริงนะเห็นความจริงนี่ก่อนที่จะเห็นความจริงของกายของใจจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจเวลามันหลงไปมันไหลไปเช่นเราหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธนะใจมันหนีไปคิดเรารู้ทันใจมันหนีไปคิดเรารู้ทันเึ็อย่างนี้หรือเวลาเรารู้ลมหายใจไม่ได้หายใจให้จิตสงบไม่ได้หายใจให้จิตดีจิตสุขจิตวิเศษวิสโสอะไร หายใจแล้วคอยรู้ทันจิตไปหายใจแล้วจิตสงบก็รู้นะจิตไหลไปก็รู้คอยรู้ทันตรงจิตที่ไหลบ่อยๆจิตจะไหลตลอดเวลาเลยเมื่อไรเรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนือกับตัวโดยไม่ได้เจตนางั้นอาศัยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านอาศัยรู้ทันจิตที่ไหลไปนั่นแหละภาวะแห่งสมาธิแท้ๆก็จะเกิดเคลื่อนจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตตั้งมั่น หลวงพ่อจะพาให้พวกเราดูจิตที่มันไหลนะอันแรกเลยเราจดูจิตที่ไหลไปคิดก่อนตอนนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราวนะแต่ว่าพวกเราระหว่างที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยพวกเราอย่าคิดนะห้ามคิดนะทดลองดูคิดไหมเนี่ยลักษณะจิตที่ไหลไปคิดเป็นแบบนี้แบบที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะที่เราจะรู้ที่จะเห็น เมื่อกี้คิดไหมรู้ไหมว่าคิดง่ายๆ่ายแค่เนี้ยแล้วสังเกตไหมตรงที่เรารู้ทันว่ามันคิดเนี่ยภาวะแห่งความตื่นก็เกิดขึ้นในฉับพลันเนี่ยภาวะแห่งความรู้สึกตัวนะภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันเกิดอัตโนมัติไม่ต้องเจตนาให้เกิดนะไม่ต้องเจตนาอะไรแค่รู้ว่าหลงเท่านั้นเองความตื่นนีก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกบ่อยๆเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วเนี่ยต่อไปมันถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าจิตใจมันลืมกายลืมใจมันจะเอาอะไรมาดูมันจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เพราะมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจนะเวลาใจลอยนะยุงกัดไม่รู้สึกใช่ไหมนะมารู้สึกทียุงบินไปไม่ไหวแนละ้วตัวกลมๆตกอยู่แล้วนะนะหรือบางคนเล่นไพนะ่คิดแต่จะจั่วนะ ตำรวจมาเพื่อนหนีไปหมดแล้วยังไม่รู้เลยก้มหน้าดูอย่างเงี้ยมันลืมตัวเองง้นเมื่อไหร่เราลืมกายเมื่อไหร่เราลืมใจนะเพราะนั้นทำกรรมฐานอะไรไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยเป็นภาวะที่แย่ที่สุดนะภาวะที่ลืมตัวเองเนี่้เป็นภาวะที่เกิดบ่อยเหลือเกินคนในโลกนี้วันวันหนึ่งนะจะรู้สึกตัวได้นี่น้อยเต็มทีคนในโลกนี้วันวันหนึ่งอยู่กับความหลงลืมตัวเองตลอดเวลา งั้นเราต้องฝึกตัวเองนะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาให้ได้ด้วยการทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองเวลามันหนีไปส่วนใหญ่หนีไปคิดมันไม่ได้หนีไปคิดได้อย่างเดียวนะมันหนีไปดูก็ได้ลองดูตัวนี้มีพระพธรูปอยู่ลองสังเกตที่ยอดของท่านนะ่ะมันจะเป็นแฉกเล็กๆพยายามนับสิมีแฉกเท่าไหร่ลองสังเกตดู สังเกตไหมเวลาที่เราสนใจพระพุทธรูปเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยจิตมันหลงไปดูก็ลืมกายลืมใจนะจิตไปหลงไปฟังก็ลืมกายลืมใจจิตหลงไปคิดก็ลืมกายลืมใจเนี่ยเรามีกายเราก็ทิ้งไปเราลืมมันมีใจเราก็ทิ้งไปลืมไปตัวนี้เป็นข้ออาพัพที่สุดเลยนะเร า, ารักตัวเองที่สุดนะแต่เราทิ้งตัวเองตลอดวันเร า, ารักตัวเองนะแต่เราสนใจคนอื่น ตื่นเช้าขึ้นมาสังเกตไหมไม่คิดถึงตัวเองเท่าไรกบคิดถึงคนอื่นคิดอย่างน้อยคิดวันนี้วันอะไรจะต้องไปทํางานหรือเปล่าถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์นะใจแห้งแ้งมากเลยขี้เกียจถ้าวันจันร์กับวันพุธเนี่ยวันไหนขี้เกียจมากกว่ากันพราข้าราชการทํางานวห้าวันระหว่างจันกับพุธวันไหนขี้เกียจเยอะดูออกไหมวันพฤหัสเนี่ยรู้สึกไหมความรู้สึกไม่เหมือนวันพุธรู้สึกไหม วันศุกไปอีกแบบหนึง่งกระดีกระดาละรู้สึกไหมวันเสาร์สบายใจใช่ไหมวันอาทิตย์บ่ายความรู้สึกเปลี่ยนไปอีกละรู้สึกไหมพราพรุ่งนี้จะต้องทํางานเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนตลอดแต่เราไม่ได้ดูเรามาแต่ดูคนอื่นดูสิ่งอื่นลืมตัวเองตลอดต่อไปนี้นะถ้าเราอยากจะได้มากผลนิพพานอยากเข้าสู่ความเย็นสบายดับสนิทแห่งทุกข์หมดความร้อนในใจแล้วก็รู้สึกกายไปรู้สึกใจไป ไม่ได้นั่งคิดเอานะคิดไม่เป็นเลยอยันนี้ไม่มีการคิดนะให้รู้อย่างที่มันเป็นถ้าคิดแล้วมันไม่เป็นหรอกนะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นจะดูกายดูใจอย่างที่มันเป็นได้อันแรกไม่ลืมตัวเองนะนี่ข้อที่1ข้อที่2 อ, อย่าบังคับตัวเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยเนี่ยบังคับกายบังคับใจอย่างถ้าคิดถึงการเดินจงกรมเคยเห็นคนเดินจงกรมม ต้องมีท่าเดินใช่ไหมต้องยืนให้ดีแล้วเถียงกันนะมือไว้ตรงไหนไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังมืออยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้นะเถียงก็อยู่ตลุดเลยเรื่องไร้สาระที่สุดเลยนะเดินจงกลมมันไม่ได้อยู่ที่กระ บ, บวนท่าเดินมันอยู่ที่ว่ามีสติในขณะที่เดินนะนั่งจะบอกให้นั่งสมาธิก็ต้องเริ่มต้องนั่งอย่างนี้อย่างนี้นั่งอย่างนี้ไม่ได้เหรอนะ ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพูดอสอนออนะว่าหัวทิมฟื้อหน้ า, าตี่นชี้ฟ้ามีสติอยู่ก็ภาวนาแล้วนะ ท, ทําสมาธิอยู่แล้วนะแมมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนกาอยู่ที่ใจใจเรารู้เนื้อรู้ตัวไหมถ้ารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็ปฏิบัติอยู่ถ้าจิตใจเราลืมเนื้อลืมตัวนะไปบังคับกายบังคับใจมันก็เหมือนพวกเล่นกายกรรมะเดินจงกรมเดินซสวยงามเนี่ยยังก็ฝึกโยธวาทิธิไม่ได้ฝึกใจฝึกกายไป งี้นเวลาที่เราคนส่วนใหญ่นะที่เขาทากรรมฐานเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยบังคับกายก่อนเช่นอ้าวต่อไปนี้นั่งสมาธิพวกเรานั่งสินั่งสมาธิเราดูขยับไหมเห็นไหยบางคนรีบไม่ขยับเลยเพราะได้ยินมาแล้วรีบนั่งท่าเดิมแต่เกรงนิดนิดอันนี้ก็ดัดแปลงร่างกายเรียบร้อยไปแล้วนะพอดัดแปลงร่างกายเสร็จก็ดัดแปลงจิตใจต้องทําขลุมรู้สึกไหม ถ้าไม่กลุ่มเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติเนี่ยเป็นความหลงผิดนะแทนที่เราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะเราเข้าไปบังคับกายไปบังคับใจบังคับจนมันนิ่งๆ น, นะจนกระทั่งจิตใจเนี่ยแข็งๆไปผิดธรรมชาติไม่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจริญปัญญานะเราไม่นั่งคิดเรื่องกายเรื่องใจแล้วเราก็ารู้กายรู้ใจอย่างที่กายใจเป็นเราไม่เพ่งเอาไว้เราไม่ลืมกายลืมใจด้วยนะ คอยรู้สึกไปรู้สึกไปรู้สึกแปวิปัสนากรรมฐานไม่ใช่การคิดนะการคิดเรียกว่าวิตกวิปัสนาปัฏนะว่าการเห็นนะมีคําว่าวิเลยปัสนะว่าการเห็นวิประแจ้งเห็นแจ้งก็คือเห็นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาจิตใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จางแปลว่าของที่เคยมีแล้วมันไม่มีมันหายไปมันดับไปนะทุกขังหมายถึงว่าของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้หายไปอนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าของจะมีหรือของจะหายไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้เป็นไปนตามเหตุนะนี่เราคอยเห็นในร่างกายเห็นในจิตใจเนี่แะร่างกายนะัเราจะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายร่างกายนี่เป็นที่ตั้งของตัวทุกข์อย่างรุนแรงเลยหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะ นั่งก็ทุกข์ต้องนั่งกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆนอนก็ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยๆหายใจก็ทุกข์เชื่อไหมเราหายใจเข้าให้ยาวที่สุดสิดูสิจะทุกข์ไหมยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งทุกข์เท่านั้นรู้สึกไหมเอาหายใจออกแก้ทุกข์ออกให้ยาวที่สุดเลยทุกข์ไหมทุกข์นะเังนัจริงๆแล้วเราหายใจเนี่ยเพื่อจะแก้ทุกข์แต่ว่าหายใจแล้วความทุกข์ก็ตามมาอีกมันเหมือนเราวิ่งหนีหมาล่าเนื้อนะ วิ่งแล้วมันก็ตามมากัดวิ่งแล้วก็ตามมากัดความทุกข์เนี่ยบียบคั้นอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรารู้สึกอยู่ในร่างกายเราจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์แล้วต่อไปเวลาเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเนี่ยจิตจะไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่ตัวทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายจะเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายตัวท <min utes> ุกข <Beach> <min> ์มันตายไม่ใช่เราตายสมน้ําหน้ามัน ตัวทุกข işte ์ม huh. ันจะตายนะจิตใจมันไม่หวั่นไหวสําหรับจิตใจเนี่ยตัวที่ดูง่ายคือตัวไม่เที่ยงกับตัวอนัตตาร่างกายที่ดูง่ายนะคือทุกขังกับอนัตตาสร้างกายเป็นวัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาดูอย่างนี้ก็ได้หรือดูว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์ก็ได้นั่นก็เรียกว่ารู้ความจริงของกายส่วนความจริงของจิตใจนะแต่ไม่้วยความไม่เที่ยงสังเกตไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนตลอดเวลา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช่ไหมเชา้าขึ้นมาอยากมาฟังเทศฟังซะหน่อยอยากไปเที่ยวที่อื่นต่ออะไรเนะี้ยใจเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยความแปรปรวนเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะั้นถ้าเราคอยสังเกตใจของเราไปนะไม่บังคับกายไม่บังคับใจแล้วก็ไม่ลืมกายลืมใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจนี้เต็ไมไปด้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเรื่ย น, นี่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอ ย, อย่างนี้นะไม่คิดเอา ไม่เผลอไปไม่บังคับไวนะ้แล้วก็จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเนี่ยเรียกว่าถ้าคิดไม่เป็นเลยนะรู้เอาไม่ใช่คิดเอานะเราจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ถึงวันหนึ่งนะจะเข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์ความดับสนิทแห่งทุกข์เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตเนี่ยทรงปัญญาตเต็มที่แล้วเมื่อจิตรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วเนะ่จิตจะหมดความอยาก เรียกว่ารู้ทุกเมื่อไหร่ละสมุทไทยเมื่อนั้นจิตมันรู้ทุกมันจะละความอยากได้ยังไงมันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกขไม่มีทางเป็นอย่างอื่นกายนี้คือทุกใจนี้คือทุกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วความอยากใดๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นน่ะย่อลงมาแล้วสรุปลงมาแล้วก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจมันพ้นทุกเท่านี้เองอ่ะอยากไปดูหนังนะ่ะอยากเป็นสุขหรือเป็นทุกอ่ะ อย่าเป็นสุขใช่ไหมกลุ้มใจไปกินเหล้าอยากจะพ้นทุกข์ใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างที่เราอยากขึ้นมานะมันอยากเพื่อจะให้ร่างกายให้จิตใจเนี่ยมีความสุขให้อยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เท่านั้นแหละแต่ถ้ามันเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์นะความอยากคือความไร้เดียงสาของเป็นตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ไงของเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันสุขได้ไงทุกวันเนี้ยตัณหาของเราเกิดขึ้นมาความอยากของเราเกิดขึ้นมาเพราะความไร้เดียงสาของเรา เราไม่รู้ความจริงของตัวทุกข์เฉะั้นถ้าเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจมากๆนะเรารู้ความจริงแลนะ้กายนี้ใจนี้คือตัวทุกขนะ์มาความอยากใดๆจะไม่เกิดขึ้นแต่ก่อนจะถึงจุดนี้มันก็จะพัฒนาภูมิปัญญาเป็นลําดับไปนะขั้นแรกที่เราหัดรู้กายรู้ใจไปเนี่ยเบื้องต้นเลยปัญญาที่เบื้องต้นน่ะเราจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรารนะ่างกายก็เป็นแค่วัตถุจิตใจก็เป็นธาตรุรู้อันหนึ่งเท่า น, นั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ถ้าเห็นว่าตัวเราไม่มีนะใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายก็ร่างกายหรือขันห้านะั่นแหละมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เรานะถ้าปัญญาสูงขึ้นไปอีกนะปัญญาระดับกลางเนะี่ยม่จะเห็นนะร่างกายที่ไม่ใช่เรานะจริงจริงแล้วมันเป็นอะไรร่างกายเป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะความอยากเกี่ยวกับร่างกายจะหายไปความหลงในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายก็จะหายไปด้วยนะ ความหรือความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่เกิดปฏิฆาความขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่เกิดเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนี่เป็นปัญญาระดับกลางนะเห็นความจริงว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ถ้าปัญญาระดับสูงสุดจะเห็นความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิต เมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไปสร้างขันใหม่ไม่ได้แล้วถ้าเราหยิบเวยจิตไม่ตัวเดียวนะจิตจะไปสร้างขันห้าขึ้นมาไหมะพอตายปุ๊บเนี่ยจิตดวงเดียวนี่แหละสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกะสร้างขันสร้างกองทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกงั้นถ้าภาวนาจนถึงความเห็นสูงสุดเลยนะปัญญาสูงสุดรู้ว่าจิตนี่คือตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตถ้าเ่อปล่อยวางจิตซะแล้วนะอะไรอะไรก็ปล่อยร่วงไปหมดเลยเคยเห็นเขาขายลูกโป่งสวรรค์ไหม เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะเมื่อกนะ่อนเห็นไหวที่เอามือถือไว้ถือเชือกอไว้ใช่ไหมปปลูกโป่งก็ลอยเป็นฝูงเลยปล่อยอันเดียวเนี่ยปล่อยที่มืออันเดียวนะลูกโ ป, ป่งหนี้ไปหมดเลยปล่อยที่จิตอันเดียวนี้นะขันห้าหลุดไปหมดเลยนะไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกแล้วนั่นเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะของเรายังไม่ต้องรีบนะเราเอาปัญญาขั้นต้นก่อนนะคอยดูซิร่างกายเราทุกคนยิ้มยิ้มหวาน เห็นไหมร่างกายยิ Why, um, ้มพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นด้วยความรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตารู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าร่างกายสรายหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสักพักเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอ่ะนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรที่เป็นสิ่งถูกรู้มันไม่ใช่เราหมดอ่ะแก้วน้ํานี้ใครเห็นแก้วน้ําเป็นตัวเราบ้างมีไหมมันถูกรู้อยู่ใช่ไหมถ้าเห็นนี่รีบปรึกษาจิตแพทย์เลยนะผิดปกติละนะ แล่นอะไรที่ถูกรู้มันไม่เป็นเราหรอกร่างกายมันถูกรู้ไม่เป็นเราความสุขความทุกข์มันถูกจิตไปรู้เข้าไม่เป็นเราความดีความชั่วมันก็ถูกจิตไปรู้เข้าก็ไม่เป็นเราอีกจิตมันก็ถูกจิตไปรู้เข้าจิตเก็ไม่เป็นเราอีกนะจิตมันไปรู้จิตได้ไงเดี๋ยวจิตมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตมันก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตมันก็สงบเดี๋ยวจิตก็ฟุ้งซ่านตามรู้ตามดูไปก็เห็นแต่จิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอตามรู้ตามดูหนักๆเข้าไม่มีเราอีกแล้ว ถ้าเราเห็นความจริงนะว่าตัวเราไม่มีนะความทุกข์มันจะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนะมันเข้าไม่ถึงความรู้สึกมันจะไม่ใช่เราทุกข์นะจะไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไปแต่ถามว่าทุกข์ไหมยังทุกข์อยู่ถามว่ายังยึดไหมยังยึดอยู่ไม่ใช่เราแต่ยังยึดอยู่นะแต่ค่อยๆภาวนาจนทั้งปัญญาแก่กล้ามันไม่ยึดถือปล่อยวางรูปนามกายใจไปทั้งหมดแนละ้วคราวนี้ใครแก่ล่ะร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่นะ ตัวทุกข์มันแก่นะตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันตายถ้าตัวทุกข์มันตายนะใจไม่หวั่นไหวนะสมน้ําหน้ามันสีมันตัวทุกข์เนี่ยตายซะได้ก็ดนะีหรือจิตใจนี้ก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษทุกวันนี้เราดิ้นรนหาความสุขกันนะหาความสุขมาบําเรอ จ, จิตใจรู้สึกไหมเพื่อจะได้สบายใจมีแฟนเพื่อจะสบายใจใช่ไหมหรือว่ามีแฟนเพื่อจะให้ร่วมใจเล่น ไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกเนี่ยไปซื้อบ้านไปซื้อรถก็หวังว่าจะมีความสุขทั้งนั้นนะจริงๆอยากได้ความสุขอยากให้สบายใจถ้ามันเห็นความจริงวันใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเห็นอย่างนี้นปล่อยมันปล่อยโลกทั้งโลกเลยปล่อยจิตดวงเดียวนะี้ปล่อยโลกทั้งโลกเลยนะแล้วเราค่อยๆฝึกไปแล้ววันหนึ่งเราจะเข้าใจที่หลวงพ่อเกษมสอนกอเอ๋ยกอไก่เข้าไข่อยู่ในเล้าเขาขวดของเราเขาายเข้านา ฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วกุ้มใจกุ้มใจเพราะอะไรคิดไม่ดีเลยอ้ยห่วงพระาศาสนาพระประเทศอย่างนี้นะาศาสนาเสียหายโดนท่านหลอกเอาเสร็จแล้วท่านชกหมัดเดียวหลวพ่อยอมซิโลราบท่านเลยคิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายดับสนิทเลยคิดไม่เป็นรู้ว่าเป็นไม่คิดทําไม่เป็นรรู้อย่างที่เป็นจะรู้ได้ต้องไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้นะ ถ้าคิดดีนะเป็นเรื่องของจริยธรรมไอ้ที่คิดร้ายมีความทุกข์ไอ้คิดดีมีความสุขถ้าไม่คิดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็จะนิพพานนะค่อยๆฝึกไปไม่ยากนะครับนะมันยากเพราะไม่เคยฟังนะทุกวันนี้หลวงพ่อสอนคารวะนี่ยจนพระกลัวเลยนะพระเนี่ยมันสารภาพกับหลวงพ่อเลยวนะ่ากลัวโยม พวกพระที่ไปที่วัดของพ่อเนี่ยเห็นโยมส่งกันบ้านเนี่ยถ้าบอกกลัวโยมทำไมโยมมันพอนาได้อย่างนี้ก็โยมได้ฝังแล้โยมตั้งใจทําโยมมามีทุกข์เยอะนะวันวันหนึ่งเรามีทุกข์เยอะแยะเลยถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญาเป็นนะไปเร็วนะไม่ช้ากว่าพระหรอกแต่ถ้ากรรมฐานในขั้นละเอียดนะขั้นอนาคาขั้นพระอรหันเนี่ยคราว่าชู้ฟราไม่ได้นะพระเนี่ยอย่างเรื่องกามเนี่ย คาวาสมีความอยากกินโทกินอยากนอนก็นอนกรรมทั้งหลายเลยเรียกว่ากรรมคุณนะส่วนพระเนี่ยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะอยากได้เสื้อผ้าอุ่นๆไม่ได้นะเวลาหน้าร้อนในชุดพระเนี่ยนะหน้าร้อนร้อนะหน้าหนาวหนาวนะท่านเซ็ตเอาไว้ให้เป็นกลางๆจะเดือได้ทุกฤะดุกการในชุดเดียวมันะไม่มีความสุขสักหน้าเดียวเลยเนะี่ยชีวิตพระจะเป็นอย่างนั้นอยากกินก็ไม่ได้กิน อยากนอนสบายอย่างคนอื่นก็นอนไม่ได้ต้องภาวนานะที่นอนก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยนะมันจะเห็นแต่ว่าเมื่อไรที่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะส่วนของคารวะเนี่ยเมื่อใดมีความอยากเกิดขึ้นก็สนองความอยากไม่เคยเห็นทุกข์เลยงั้นในขั้นละเอียดนะคารวะช่วยพระไม่ได้หรอกนะแต่ในขั้นต้นๆเนี่ยถ้ากับคารวะไม่แพ้กันหรอกขยันภาวนาขยันดูบ่อยๆนะแล้วเราจะได้ เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราจะได้รักษาสืบทอดพระศาสนาเราทุกวันนี้เรากลัวศาสนาอื่นมาแย่งชาวพุทธไปคนที่เขาแย่งได้คือคนไม่มีศาสนานะพวกที่ไม่รู้จักศาสนาพุทธถุยถูกแย่งไปเขาเอาเงินซื้อก็เปลี่ยนศาสนาได้เหมือ น, น, นเอาเงินซื้อก็ขายเสียงได้เอาเงินเป็นใหญ่แต่ถ้าพวกเราหัดภาวนาเรารู้เลยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าพาเราให้พ้นทุก เป็ลำดับลำดับไปนะมีคุณค่ามหาศาลยังไงเราก็ไม่เปลี่ยนศาสนาเน้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกนะว่าคนที่ทํำลายพระพุทธศาสนาได้นะคือพุทธบริษัทเนี้ยไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมถ้ายัางศึกษาอย่างปฏิบัติอย่างเคารพแน่นแฟนในพระรัตนยย์ตรโยนไม่เปลี่ยนศาสนาเน้นเราอย่าไปโทษคนอื่นนะว่าเขามาชวนชาวพุทธไป ชาวพุทธลยทยอยท้อยสีถูกเขาชวนไปได้ชาวพุทธแท้ๆไม่มีใครเอาไปไหนได้หรอกก็เป็นพุทธอยู่นั้นแหละเขาลับพอสมควรแก่เวลานรเมัศ ก, การหลวงพ่อค่ ะ, ะมีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิค่ะแล้วก็กายมันหายไปค่ะแล้วก็มีตัวรู้อยู่เออใช้ได้อ่า หนูเคยส่งหลวงพ่อแบบนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ขยับได้มันก็เลยมีจิตตัวหนึ่งสั่งให้ลองขยับคอขยับหน้าสายหน้าค่ะพอสายหน้าปุ๊บมันได้ยินเสียงของการขยับชัดเจนมากค่ะแล้วมันมีความรู้สึกแบบเหมือนเหมือนละลีละลิกเหมือนอดีใจที่ที่ว่าเรามีสภาวะนี้เกิดขึ้น แล้วก็ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นแนละ้วก็แค่รู้เท่านั้นแนหะนะละระลิกละระลีขึ้นมารู้ว่าะระลิกละรนะลีแค่นั้นแหละเรารู้สึกไหมสภาวะอนั้นเกิดเองดับเองที่เราภาวนานแทบเป็นแทบตายนะฝึกกันมาแทบเป็นแทบตายนะก็เพื่อสิ่งนี้แหละเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะนั้นเราไม่ไปทําจิตนิ่งๆว่างๆอยู่เนะนี่ยเราปล่อยให้จิตทํางานนี้เห็นเลย ปีติหรือสุขหรืออะไรเกิดขึ้นก็มีแต่เกิดแล้วดับนั่นแหละแต่นั้นเรียกว่าเดินปัญญาแล้วสภาวะที่รู้สึกกายรู้สึกใจในขณะนี้ไม่ทราบว่าขณะนี้ไม่ใช่ขณะนี้เกินจริงขณะนี้บังคับกายบังคับใจอยู่รู้สึกไหมมันจะแข็งแข็งนิ่งๆิ่งก่าความเป็นจริงจิตใจที่ดีที่สุดนะคือจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมตาจิตใจของคนธรรมดานี่แหละ จะเติมสติความะระลึกได้ลงไปค่อยๆรู้ทันอย่าเมื่อเชียรใจไหลไปคิดวูบหนึ่งมองเห็นนะเห็นไหมนั่นแหละดีปกติไหลไปคิดแล้วไม่เห็นแต่เมื่อเชียร์ตัวที่ไหลวูบน<ม>ัเห็นว่าไหลอย่างนั้นแหละแค่นั้นแหละเห็นไหมมันไหลได้เองมันเกิดแล้วมันดับเองนั่นแหละคือการเจริญปัญญาถูกแล้วได้อย่างนั้นดีอย่าไปประคองจิตให้นิ่งมันไม่ยอมเคลื่อนไหวอย่างนี้คืออย่างนี้ประคองอยู่นะจำกับมากไป ปล่อยมันต้องกล้านะถ้าต้องต้องกล้าหานที่จะปล่อยให้จิตมันทํางานเพราะว่าเวลามันทํางานได้มันชั่วได้มันจะคิดไม่ดีบ้างนะหรือมันเกิดความทุกข์บ้างเกิดอย่างน้อนบ้างงี้บ้างเราจะได้เรียนเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะดีภานาดีขึ้นเยอะเลยมันไม่ยอมปล่อยไม่ปล่อยหรือไม่ว่ามันนะไม่ใช่บังคับมันให้ปล่อยอีกนะ<ฆ>กลายเป็นก็บังคับอีกและ มันไม่ปล่อยรู้ว่าไม่ปล่อยใช้ได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยคิดว่าทำอย่างเนี้ยดีตอนนี้รู้ว่าทํางี้ไม่ถูกก็ไม่ชอบมันอีกแล้วใช่ไหมเ<ร>มื่อก่อนอยู่ในภาวะนิ่งๆอย่างเนี้ยยินดีตอนนี้พอเข้ามาอยู่ในภาวะนี้ยินร้ายให้รู้ว่ายินร้ายะถ้าเรารู้ทันเห็นสภาวะแล้วรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนะถูกเป๊ะเลยใช้ได้เลยเริ่มเริ่มใช่ใช่ใช่นั่นต้องอย่างนั้นเลยขอบพระคุณค่ะอืมดีเห็นไหม ใจมันโล่งมันคลายออกนั่นมันต้องอย่างนั้นสิเนี่ยนักปฏิบัติใกล้โลกจิตธรมดนาะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอ้าวว่ามาแมาตการหงข้อการแรกที่โยมมีโอกาสได้สัมคัญมา้นะคะฟังเทปของพระอาจารย์มานานแล้วก็ตาไปที่ชลบุรีครั้งจริงๆแล้วคำถามมีอยู่สองข้อ แต่ว่าฟังตอบไปแล้วตอบไปแล้วค่ะพรอาจารย์ตอบไปแล้วแต่ข้อที่สองค่ะที่อยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนื่องจากว่ากิจกรรมที่โยมทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดูแลเด็กที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะสุดท้ายโยมทำมาประมาณปีนี้ปีที่แปดสิ่งที่ตามมองดูในที่เห็นก็คือเห็นการพัดพลากมาตลอด อืเบื้องต้นยมก็ดีใจว่ามันเป็นการฝึกตัวเองในการเรียนรู้เรื่องมอรณานุสติแต่พอระยะหลังๆมี้งยมรู้สึกว่าจิตยมเริ่มแข็งแข็งตรงนี้ไม่ทราบ ว, ว่าจะเป็นผลดีหรือไม่นะมันชินชาเห็นมากๆมันเฉยๆไปแต่ว่ามยมย้อนกลับเข้ามาดูว่าวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นย้อนกลับมาที่ตัวเองไ ม, ไม่ได้ดูแต่เขานะ ดูเขาแล้วก็กับดูเพื่อเห็นว่าต่อไปเราก็เป็นอย่างนี้ต้องตายต้องเจ็บต้องอะไรอย่างนีคือยมก็ฝึกในลักษณะดีว่าพอเห็นแล้วกลับมะมองด้วยตัวเองก็เป็นโรคมะเร็งก็กลับมามองดูตัวเองว่าวันหนึ่งตัวเองก็ต้องอยู่ในสภาพดีทีนี้มันก็มีจิตที่เกิดขึ้นมาอีกดวงคือความวิตกกังวลเออก็ให้รู้ว่าวิตกกังวลไม่ห้ามน ะ, ะวิตกกังวลก็รู้ว่าวิตกกังวลของโยมนะภาวนานะอยู่ในกลุ่มที่ใช้ได้นะ ข้อเสียมีนิดเดียวชอบไปบังคับจิตให้นิ่งปล่อยซะกล้าๆหน่อยนะแลบดิ้นทีอ่านไปข้างๆแล้วแลบใส่ข้างๆ <c oughs> ยังไม่หลุด <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> รู้สึกเกรงใจอยอย่างเกรงใจเนี่ยมันยังไม่หลุดออกมาถ้ามันหลุดออกมามสบายนะ <c oughs> แล้วก็เห็นจิตมันทำงานไปตามธรรมชาติพานาใช้ได้รู้สึกไหมว่าเราไม่เหม็นตะกอน ขันเนี่ยนะแยกแยกได้ดีแล้วละ่ะแต่ว่ายังไปประคองตัวรู้ไว้เท่านั้นแหละถ้าปล่อยตัวรู้ได้นะคราวนี้ไปริ้วเลยครับนมัสกัณยิย่งหลวงพ่อครับไปส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อสปีที่แล้วออตอนนั้นเริ่มรู้ตัวแล้วแล้วก็หลวงพ่อแนะนําให้แยกแยกขันก็ตอนนั้นได้ถามไปว่ามัตยจะ ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่าคิดนํามันหรือเปล่าก็หลวง่อแนะนําว่าอคิดนําไปก่อนได้แต่อย่าทําประจํำเลี้ะครับก็ทํามาสองปีแล้วตอนนี้มีโอกาสก็อยากขอความเมตตาหลวงพแนะนําว่าที่ทํามาตอนนี้เนี่ยมันจะออกเฉยๆซึมๆไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในร่องไหลย่อยหรือเปล่าจะให้มันซึมสินะถ้าจิตซึมก็รู้ว่าซึมไป เราความรู้สึกตัวให้แข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งแล้วปล่อยจิตให้ดรอปไปไม่เดียรู้สึกรู้สึกไหมมันช่วงหลังมานี่รู้สึกว่ามันความเบื่อมันเพิ่มขึ้นรู้สึกเห็นอะไรอย่าให้มันครอบจิตความเบื่อเกิดขึ้นนะให้รู้ว่าเบื่อนะถ้าความเบื่อครอบงำจิตให้รู้ทันเองครอบไม่ได้นะจะจะจะมันรู้แล้วมันมันก็ยังเบื่อครับมันมันเหมือนกับ รู้แล้วมันก็ยังติดอยู่มันไม่ยอมปล่อยวอ่อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเบื่ออยากหลุดรู้ว่าอยากนะรู้ตรงเนี้ยตัวจินดีนยินระ้ายนะแต่ว่าของคุณหมอมีจุดหนึ่งที่เริ่มเป็นแล้วนะคือสมองเนะี้ยเริ่มเสื่อมนิดหน่อยมีบ้างแล้วนะงั้นจะไปปล่อยเดี๋ยวซึมเศร้าไป <laughs> <laughs> มันมีนะเป็นทางกายด้วยไม่ใช่จิตอย่างเดียวนละ้ว เป็นธรรมชาตินะเป็นทุกคนอะมักบางน้อยบ้างถึงวัยถึงช่วงหนึ่งมันจะไม่สดใสไม่ร่าเริงเหมือนช่วงวัยรุ่นช่วงหนุ่มสาวเป็นช่วงถดถอยแต่ว่าถ้าจิตเราดีนะก็ เ, เห็นภาวะแห่งความเสื่อมความมึนความงงนด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางจะเกิดสมาธิ ถ้าจิตไม่มีความเป็นกลางจะไม่มีสมาธิถ้าจิตมีความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตท่งสมาธิเด่นดวงขึ้นมานะส ว, าสว่างสไขึ้นมาลัศมีของจิตเนี่ยมันจะสว่างลงไปที่สมองส่วนหน้าเลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงสมองส่วนหน้ามากมากกว่าคนปกติจะรู้สึกสว่างสัยขึ้นมามันจะไม่ค่อยเสื่อมหรอกเพราะนอยู่ที่ความเป็นกลางของจิตนะ นถ้ามันมัวรู้ว่ามัวไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบะแต่ถ้าใจมันตรอปมันไม่ค่อยจะรู้นะเราความรู้สึกขึ้นนิดหนึ่งนะกระ ต, ตือรือร้นขึ้นนิดหนึ่งช่วยมันนิดหนึ่งอ่ะต่อไปกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้การรู้ตัวก็ยังไม่ต่อเนื่องตลอดนะเจ้าคะจะไปรู้ก็ต่อเมื่อว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นกับ จ, จิตใจนะคะอือทีนี้แต่ ก็ทำให้ติดใจเนี่ยของอารมณ์ไม่นานเช่นว่าอยู่ๆตื่นเช้าขึ้นมาก็มีอารมณ์เศร้าหมองค่ะอพอทันทีที่รู้ก็จะเห็นว่ามันอ่อนลงค่ ะ, ะทีนี้มีอารมณ์อันหนึ่งที่โยมชอบมากเพ่อโยมนี่มีจริตชอบโกรธนะเพราะนั้นพออารมณ์โกรธขึ้นเข้าไปเห็นทันทีนะเจ้าค่ะเห็นมันดับต่อหน้าต่อตาเจ้าค่ะของพ่อเพราะฉะนั้น ก็มีครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอารมณ์หยาบเนี่ยมันจะเห็นชัด ก, กว่าใช่ค่ะเราไม่จําเป็นต้องใช่อารมณ์ละเอียดนะเพราะจริงๆเราไม่ได้ดูอารมณ์เราจะดูไตรลักษณ์<ช>งั้นไม่ว่าถ้าตัวอารมณ์หยาบแล้วเห็นไตรลักษณ์เราก็ใช่อารมณ์หยาบทีนี้โยมโยมไปดูอารมณ์ที่อ่อนอย่างเช่นว่าชอบเพราะโยมเนี่ยชอบดูพระจันทร์จ้ะคะตอนนี้พระจันทร์เต็มดวงอืทีนี้โดมจะเห็นจิตที่มันชอบมันไม่ยอมปล่อยเอ แล้วยืนดูยังไงเรียกว่าไม่ยอมปล่อยมันก็จะชอบอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทุกๆครั้งที่ที่ออกไปรดน้ําต้นไม้เมื่อเห็นพระ จ, จันทร์เนี่ยก็จะดูแล้วก็เห็นอารมณ์ชอบตลอดทีนี้มันอารมณ์ชอบมันไม่ยอมวางนี่จะเป็นอันตรายไหมไม่ไ ม, ไม่ห้ามมันหรอกนะก็รู้ว่าชอบไป <S <S อารมณ์ครูเจ้าสอนอนี้นะโทสะเนี่ยมีโทษมากละง่ายราคะมีโทษน้อยลายาก โมหะมีโทษมากละยากนะของโยมเนี่ยราคาเมีนมีโทษน้อยเนี่มันเลอเลอเพลินเพลิล น, ลนไม่ได้ทําร้ายอะไรใครเห็นไหมมันแค่มีความสุขเพลินเพลินไปนะละยากเพราะมันไม่เห็นโทษแต่ว่าเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครูบาอาจารย์บอกพวกที่ชอบพระจันทร์เนี่ยท่านบอกว่าบนดวงจันทร์นะเทวดาเยอะนะบนดวงอาทิตย์มีน้อยนะบนดวงจันทร์เนี่ยอะเพราะพวกชอบดูเนี่ยนะ เดูดูพอขึ้นไปเกิดจริงจรูงอยน้ไม่เห็นสวยตรงไหนเลยอาจหลวงพ่อเจ้ะคะโยมมีอันอันหนึ่งค่ะที่หลวงพ่อเคยพูดเรื่องว่าถ้าจะปฏิบัติต้องรู้อริยสัจ ส, สีก่อนทีนี้โยมก็เลยว่ารู้รู้ทางทฤษฎีรู้ว่าเราต้องรู้ทุกุรู้ว่าสมุทัยตัวอยากเนี่ยเป็นตัวที่ต้องละรู้ว่านิพพานเนี่ยเราต้องเข้าไปเห็น ต้องไปประจักษ์รู้ว่ามรรคต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาต้องฝึกให้เจริญ ต, ต้องฝึกนี่ยอย่างน้เรียกว่ า, ารู้ในทางทฤษฎียอมยม ก, ก็เข้าใจว่าอาริยสัจสีเนี่ยจิตมันต้องเข้าไปรู้สิ<ช>นะว่านี่มันทุกข์นะผม<ช>เห็นทุกข์แล้วก็ใช่ใช่แต่เบื้องต้นเนี่ยอาศัยได้ยินคำสอนของผเจ้านะแล้วก็รู้หลักของการปฏิบัติ รู้หลักปฏิบัติแล้วแล้วก็รักษาศีลฝึกสมาธิจเจริญปัญญาไปสุดท้ายจิตจะรู้แจ้งอริยสัจ ต, ตรงที่จิตรู้แจ้งอริยสัจกัเราเรียนรู้อริยสัจเนี่ยคนละเรื่องกันไม่เหมือนกันแล้วค่ะมันพอหลวงพ่อพูดถึงศีลอยมก็มีข้อหนึ่งศีนเนี่ยโยมก็สงสัยว่าถึงเรายังไม่ลงมือทําถ้าถ้าจิตมันยังอย่างเช่นว่าเวลายุง ม, มันไปเกาะที่เตาแก๊สนะเจ้าค่ะ โยมก็เปิดพอเปิดเปิดเตาแก๊สเสร็จปุ๊บเห็นจิตมันสะใจเจ้าค่ะอืมอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่ใช้ไม่ได้ต้องต้องให้ต้องทอํายังไงเพราะว่าเราเผลอว่าเราไม่ได้ไปไล่มันก่อนเดียให้เรารู้ทันนะเราทําไปด้วยโทรสะแหละแต่พอเห็นมันสะใจพอรู้ว่าสะใจก็โอเคแล้ว ต, ตรงนั้นได้บุญละนะตอนที่ <laughs> ไปเปิดแก๊สใส่ยุงนั้นได้บาป <laughs> <laughs> แต่ตอนที่รู้ทันว่าสะใจเนี่ยได้บุญ <Okay. S 2> อคนละส่วนกัน uh huh. ไม่้ากกันโยมก็เลยสงสัยว่าแล้วอย่างงี้เมื่อไหร่มันจะละได้ที่ uh huh. ในเรื่องของสิลค่เรียนเรียนรู้มีสติไปเรื่อยนะไปเรื่อยๆสติมันเร็วขึ้นมานะโดยเฉพาะถ้าเกิดอริยมรรคแล้วมันเป็นอัตโนมัติ <Okay. S 2> มันไม่กล้าทำเพราะมันมีฮิริโอตปะอ๋อข้อหาอีกข้อหนึ่งนะเจ้าคะ่ะก็อาจจะถามแทนคนอื่นด้วย เรื่องของปฏิจจสมุทธบาทมีตัวหนึ่งที่คิดว่าเป็นพระเอกนั่นก็คือตัววิชาหรือว่ า, าวิชาใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ตัววิชาหรืออวิชาเนี่ยบางคนหลายคนเข้าใจว่าต้องไปเรียนอภิธรรมซะก่อนแล้วถึงจะมาปฏิบัติได้ <c oughs> แต่โยมอยากจะเรียนถามว่า <c oughs> เพื่อจะคอนเฟิร์มนะคะว่าความเข้าใจของโยมถูกไหมว่าคําว่าวิชาหรืออวิชาก็คือความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เลยมันเป็นความฉลาดของจิตนะมีปัญญาสุดขีดของจิตเลยในการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะแทงตลอดอริยสัจในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองํำพังรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวยังห่างไกลกับเรื่องอวิชาจำนะพังนี่เราก็ต้องฝึกเพื่อจะให้มันได้วิชาเข้ามาใช่ไหมบา ง, งคนบอกว่าต้องเรียนอริธรรมก่อนแล้วลงมือปฏิบัต ใช่ไม้มได้ยินอย่างนี้ใช่มไหมไสำนักอภิธรรมหลายแห่งนะตอนนี้ลูกศิษย์เข้าไปเนี่ยงานแรกที่ต้องทำคือฟังซีดีหลวงพ่อประโมทก่อนฟังไปชนกรทั่งมองสภาวะเป็นนะแล้วไปเรียนอภิธรรมเนี่ยง่ายมากเลยเพราะมันเห็นแล้ว โยมก็สงสัยว่าต้องไปเรียนเอ้ยต้องไปเรียนก่อนนี่โยมเป็นคนชอบเรียนให้รู้หลักให้รู้หลักวิชาท่านนะนะไม่ต้องเรียนละเอียดจนเรียนถึงมหาปัฏฐานเรียนเลยตั้งหลายปีกว่าจะจบนะพรอเจ้าขาแล้วก็โยมขอถามอีกคำหนึ่งว่าถ้าถ้าเราเกิดเกิดว่าไม่รู้แต่ว่าในในวงจรในกระบวนการทํางานของจิตตรงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ย เราเข้าไปรู้นี่จะช่วยตัดใช่ะก็ขาดตอนนั้นขาดตอนนั้นนะแต่ว่าบางอันนั้ถึงขาดไปวิบากก็เกิดแล้วบางอันขาดเนี้ยก็ไม่มีการกระทำกรรมไม่มีวิบากคุนพ่อเจขาด่ะหนูเป็นโทรศาตลิตค่ะแล้วก็ช่วงนี้หนูป่วยก็เลยเห็นไม่ค่อยได้ยินยกใหม่ตั้งๆเหมือนร้องเอออย่างนี้่ช่วงนี้ หนูเป็นโทราสารจริตะค่ะแล้วก็ช่วงนี้หนูป่วยก็เลยเห็นอารมณ์มะไรชัดเจนมาขึ้นแล้วก็หนูชอบเห็นตัวเองชอบไปหยิบอารมณ์มาปรุงก็ทําให้ทุกฉลาดที่เห็นนะฉลาดแล้วแล้วก็มีความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยมากเลยค่ะใช่ทุกข์กายหรือใจทุกข์ใจทุกข์กใจก็เพราะว่าไปหยิบมันมาปรุงนั่นแหละค่ะ<น>ะแล้วก็ทุกข์หนักๆบางทีหนูหนูก็เลยลองดูมันก็อยู่ได้ประมาณเกือบหนึ่งวันนะคะแล้วก็หนูก็ไปหยิบอันอื่นมาทุกต่อ ก็ตก็อย่างนั้นแหละห้ามมันไม่ได้นะจนวันหนึ่งมันฉลาดมันไม่หยิบ <c oughs> แล้วหนูก็เห็นความไม่พอใจที่ทุกมันเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ให้หนูดูไปมันมีโทสะซ้อนโทสะไปเรื่อยๆ <c oughs> ทีแรกไม่พอใจสิ่งนี้เกิดโทสะแต่มารู้ว่าตัวเองมีโทสะก็ไม่พอใจอีกนะก็ให้รู้ว่ามีโทสะซ้อนขึ้นอีกรู้จิตอย่างที่มันเป็นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหนูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างี้ช่ไหมะ ก, การนิมัสการหลวงพ่อค่ะตอนก่อนที่จะได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะหนูก็ฝึกดูกายมาตลอดจนเราก็เริ่มเริ่มโอเคขึ้นแต่พอมาฟังซีดีหลวงพ่อก็มาฝึกดูจิตคือเวลาที่เห็นเราจะชอบไปบังคับแล้วไม่สามารถปล่อยให้หลุดจากตรงนี้ได้มันก็จะแบบมืดมึนอย่าไปอยากปล่อยนะถ้าอยากปล่อยให้รู้ว่าอย่ากให้รู้สภาวะอย่างที่กําลังเป็นสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นสดๆร้อนๆตลอดเวลา รู้ไปสบายๆมีสภาวะอะไรก็รู้อย่างนั้นแหละไม่เข้าไปแทรกแซงมันไม่ใช่ฝึกเราต้องปล่อยนะจิตจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาเป็นตัวตัดเรามีหนา้าที่มีสติระ ล, ลึกรู้ไปรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางแล้วปัญญาถึงจะเกิดแล้วควรจะฝึกยังไงเต้นใจที่ฝึกอยู่ก็ถูกแล้วล่ะเห็นไหมว่ากายกระใจมันคขราน นั่นแหละขันเป็นแยกแล้วถ้าขันเป็นแยกแล้วมันจะเริ่มรู้สึกแนละ้วท่างกายไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไหมยังง่ายแล้วล่ะนะส่วนใหญ่นะ่ะไม่สนใจเรื่องจิตนะไปดู ก, กายก็จิตถลำไปเพ่งกายทีเปี๊ยกก็อยู่แค่นั้นแหละมันแยกรูปนามไม่ได้จริงอย่างนี้เราแยกรูปนามได้แล้วรู้สึกไหมรูปนามแยกออกจากกันรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นะแล้วก็ในนามเองอะ่ะเดี๋ยวก็มีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วหมุนเวียนแป จิตเป็นคนรู้ น, นามยางแยกออกเป็นนามจิตนามเจตสิกแยกออกจากกันเ น, นี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะสภาวธรรมทั้งหลายนะจะรูปธรรมหรือนามนทํมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีตัวเราเลยอย่างความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ดูอย่างนี้แหละดูจนมันพอดูถูกแล้วล่ะ การธรรมมสการ์หลวงพ่อครับส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีครับดีกว่าเก่าแล้วก็เห็นพัฒนาการทางด้านความทุกข์ลดน้อยลงและเห็นจิตแอบไปคิดบ่อยขึ้นเดีการที่เห็นความคิดในปีนี้นี่จะเห็นแบบอาทีขึ้นแล้วก็เบาแผ่วๆไม่ทราบว่าเห็นอะไรนะเห็นความคิดแอบแอบไปคิดเลยครับเห็นจิตแอบไปคิดเลยครับ แล้วอะไรแผ่วๆเห็นแบบไม่ชัดเจนเหมือนปีที่แล้วอ๋อไม่จาเป็นต้องชัดเราเห็นว่ามีสิ่งบางสิ่งนะไหวๆอยู่แค่นั้นก็พอนะเหเบา ๆ, ๆเออนั่นและดีเฉย ๆ, ๆดูไปดูสบาย ๆ, ๆเห็นมันมีสิ่งบางสิ่งทำงานอยู่นะไม่รู้ว่าคืออะไรนะดีไม่ใช่ไม่ดีนะกลัวจะไม่ชัดไม่ต้องชัดรู้เท่าที่มันรู้ได้ถ้าอยากชัดก็รู้ว่าอยากนะ แล้วผมควรจะพัฒนาในส่วนเพิ่มขึ้นบ้างครันอย่าใจร้อนนะแล้วก็รู้ทันกิเลสมีกูเก่งไหมกูเก่งได้แหละมันแอบเข้ามานะยิ่งเราภานาดีนะไอ้กูเก่งมันยิ่งแอบมานะ่ค่อยรู้ทันมันพอนาถูกแล้วละ่ะพอนาดีขันมันแยกขันมันทํางานได้เองจากมัมสการของพอ่อ ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าผมแยกรูปแยกหนามถูกหรือเปล่าแยกได้ถ้าถ้าสมมติว่าผมพยักหน้าแล้วรูที่คิ้วคิวมันขยับขึ้นขยับลงอะไรนะคือถ้าถ้าพยักหน้าแล้วคิ้วมันขยับขึ้นขยับลงไม่ขยับเองใช่ไหมขยับเองเพรช่างมันไปเลยเห็นไหมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันขยับได้เองแล้วจิตจิตที่มันไปรู้ที่คิ้วนี่คือแยกแล้วใช่ไหมใช่ อย่างเนี้ยลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมไหลวืบไปในโลกของความคิดนะครับเราก็รู้ทันว่าไหลไปแล้วเห็นไหมว่ากายกับใจคนละอันอันเนี้ยดูได้ล้วเห็นไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วกระจายอย่โงก็คละอันกันดูออกไหมครับครับออดูได้ไหมยังไม่ยังไม่ค่องออกดูไม่ออกไม่เป็นไรนะดูกาย ก็เห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันกานี้ไม่ใช่เรานะใจที่เป็นคนรู้เนี่ยถ้าเราดูกายเรื่อยๆต่อไปจะเห็นใจชัดเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนนะดูกายแล้วเห็นจิตนะผมพอครับที่ ท, ที่ที่ผมสึกทุกวันคือว่าอถ้าจิตมันไปกระทบสิคือปล่อยให้จิตไปกระทบอารมณ์โตก็กแล้วก็ถ้าสมมติว่าคืมันไปรู้รูปที่ตา่างเนี่ยมันไปได้เห็นเสียงที่ห แบบนี้จะถูกไม่ว่ามันนะปล่อยมันกระทบไปต่อให้มันกระทบแล้วเราก็แค่รู้ว่ามันทำงานเห็นไหมว่ามันเกิดกั บ, บแล้วแล้วเราควรจะไปรู้ที่รูปหรือว่ารู้ที่ตาดีรู้ที่ใจรู้ว่าจิตวิ่งไปที่ตานะรู้ว่ากระทบรูปรู้ว่าจิตมังชิดรู้ว่าสุขทุกข์ดีชั่วมันเกิดนะ ไม่รู้ว่าจิตเข้าไปยึดหรือจิตไม่ยึดหมยไม่รู้วาทันจิตไปเรื่อยๆครับแล้วแล้วกรรมฐานที่ผมอย่าไปอย่าไปแบบนี้นะตากระทบรูปแล้วก็กําหนดอยู่ที่รูปบ้างกําหนดอยู่ที่ตาบ้างกําหนดอยู่ที่การกระทบบ้างกําหนดอยู่ที่จักขู่วิญญาณจิตือความรู้สึกตรงที่กระทบบ้างไม่เอาเลยกระทบไปตามธรรมชาตินะกระทบแล้วมันกเกิดเตือนก็ามาที่ใจ นะกระเทือนถ้าอารมณ์ที่มากระทบมันไม่แรงมันก็ไม่กระเทือนเข้ามามก็ช่างมันจบไปถ้ามันแรงขึ้นมามันส่งสัญญาณขึ้นมาที่ใจมีการตีความมีการให้ค่าเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีกดเกิดชัว่วอลไรมีสติะระลึกไปนะปล่อยให้จิตทํางานไปตามธรรมชาติไม่เข้าไปแทรกแซงธรรมทานที่ควนใช้นี่วิณเห็ว่าเราช่างจิดดูออกไหมเป็น<ม>คนช่างจิต ด, ดูออกไหม เัน้นคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะแต่อย่าไปประคองจิตให้นิ่ ง, งๆเฉยๆมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกไปให้จิตเป็นธรรมชาติไปกระทบอารมณ์ไปเรื่อยกระทบแล้วก็เตือนเข้ามาไม่ว่าอย่าไปเที่ยวดักอยู่ทางทวันทั้งห้านะปิดที่ตาหูจมูกเล่นกายปิดหมดเลยกระทบแล้วค่อยคุมไม่ให้กระเทือนอย่าไปบังคับมันนะกระทบแล้วให้มันกระเทือนเข้ามาถึงใจถ้ามันอารมณ์มันอ่อนมันไม่กระเทือนก็ช่างมัน ถ้าโรมมันแรงกระตือนเข้ามาถึงใจก็รู้ว่ากระตือนแล้วนะกระตือนออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วก็รู้เอาแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างนั้นชั่วคราวดือย่างนี้นะเราต้องการเห็นสภาวะต่างๆนะันก็เพื่อจะได้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเกิดแล้วก็ดับไปต้องการตรงนี้ต่างหากต่อไปกลากันมาสักาหลวงพ่อค่ะ ไม่ต้องกลัวครับวาภาวนานดีแล้วอต้นเต้นมันแค่ตื่นเต้นเท่านั้นแหละ <c oughs> เคยปฏิบัติแล้วแบบมันเห็นจิตว่ามันจะคิดอค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คิดแต่คือเห็นว่จะคิด เ, เห็นแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรจากนั้นก็คือคิดแล้วแล้วก็ถึงจะเห็นไม่เป็นไรนอย่างน้อยเราก็เห็นกระบวนการของมันนะแล้วก็บางทีถ้าหลงๆไปอย่างเงี้ยคือจะกลับมาที่กายก่อนแล้วก็ตามมาคี่ได้ถูก ดีก็เหมือนเป็นเครื่องช่วยให้เรารู้บ่อยใช่ถ้าอยู่อพรวดเข้ามาที่จิตเลยมักจะเพ่งเนี่แน่นไปคือฟังหลวงพ่อมานานแล้วแต่ว่าคือเหมือนพอมันจะรู้เนี่ยมันแค่คลิกเดียวเองใช่คือเวลาที่ปัญญาเกิดน่ะคลิกเดียวนะใช่ค่ะไม่มีสองคลิกก็คื อ, อพอเสียคุณแม่ปีแล้วค่ะก็เห็นแบบชุกบ่อยขึ้นตลอดนะคะก็เลยปฏิบัติรู้มากขึ้นแรกๆก็จะเป็นแค่แบบโทสะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มแบบมีหลงมีความ นั่นแหละภาวนาเป็นแล้วล่ะความอยากความไรเห็นทั้แล้วหนูเห็นไหมว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเห็นค่ ะ, ะไม่มีอะไรนะฝึกได้ดีนะขอกันบ้านหลวงพ่อท่านตัวเรายังอยู่นะค่อยๆดูแยกขันไปแล้วดูไปแต่และตัวแต่และตัวนะกระทั่งตัวจิตมเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ถลําลงไปเพ่งค่ะเห็นไหมจิตมีแต่ความไม่แน่นอนค่ะนะดูอย่างนั้นแหละ ขอาการพระอาจารย์ครับตั้งแต่เจอหลวงพอ่อแรกๆผมเพ่งเยอะตอนนี้เพ่งลดลงไม่ทราบว่ามีอะไรที่ผมยังมองไม่ทันไม่เพ่งก็นะดีแล้วล่ะดูมันทำงานไปครับจิตฟุ้งซ่านมันไม่เข้าฐานนะสมาธิไม่พอดังนั้นให้จิตมีเครื่องอยู่นะแล้วจิตหนีไปเรารู้จิตหนีเรารู้ นี่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้ไม่บังคับจิตนะหายใจเล่นๆไปหายใจไปแล้วจิตหนีเรารู้จิตนี้เรารู้จิตจะได้มีแรงหรือถ้าไม่ชอบกรรมาฐานอันนี้ก็ทำกรรมฐานอื่นก็ได้อันไหนก็ได้แต่ว่าคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลเท่านั้นเนะี่ยเดสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มสมาธินะปัญญาไม่ต้องห่วงปัญญาเยอะนี่ปัญญาพอไม่มีสมาธิเป็นฐานมันเป็นฟุง้งซ่านนะ ฟูงสานนะถ้ามีสมาธิเป็นฐานอยู่นะกลายเป็นปัญญานะจบครับขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างนี้นะครับที่กรุณาเล่นา น, นากับพวกเรานะครับโอกาสนี้นะครับพวกเร า, เาตั้งใจถวายทานพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทยาทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ได้โปรดรับปั จ, จัจทยทานของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความค้นทุก์เพื่อมรรคผลนิพพานณนะปัจจุบันด้วยเถินละพอนนะเนรทาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาสมิจฉตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยทาสภีทีโยวิวัชชันตุสภารโควินาสตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีติคายยโกภวะ อาพิวาธนาสีลิสนิจจังวุทาปจายโนจตารโธรรมาวทันติอายุวันโน ส, สุขังพระลังสาทุปัจจัยทานหลวพ่อมอบให้โรงพยาบาล น, นะครัผมก็จะได้นำไปส่งครอบคหัวยากจนของโรงพยาบาลราังสังในโอกาสต่อไปนะครับนะทำบุญด้วยกันกับหลวงพ่อนะอสาธ <สา S 2> ุ